โดยมากเวลาท่านสอนคราวาาญาติโยมโดยเฉพาะท่านยกธรรมเกี่ยวกับคราวาาขึ้นแสดงมีทานศีลภาวนาเป็นพื้นโดยให้เหตุผลว่าทำทั้งสามนี้เป็นรากแก้วของความเป็นมนุษย์และเป็นรากเงาของพระศาสนาผู้เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องเป็นผู้เคยผ่านคือเคยสังสมธรรมเหล่านี้มาอย่างน้อยต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นเชื้ออยู่ในนิสัยของผู้จะมาสวมร่างเป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติอย่างแท้จริงทานคือเครื่องแสดงน้ำใจมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงผู้มีเมตตาจิตต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ผู้อาภัพด้วยการให้การเสียสละแบ่งปันมากน้อยตามกําลังของวัตถุเครื่องสงเคราะห์ที่มีอยู่จะเป็นวัตถุทานธรรมทานหรือวิทยาทานแขนงต่างๆก็ตามที่ให้เพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นโดยไม่ได้หวังค่าตอบแทน ใ, นใดๆ นอกจากกุศลคือความดีที่เกิดจากทานนั้นซึ่งจะเป็นสิ่งตอบแทนให้เจ้าของทานได้รับอยู่โดยดีเท่านั้นตลอดอภิญธานที่ควรให้แก่กันในเวลาอีกฝ่ายหนึ่งผิดพลาดหรือล่วงเกินคนมีทานหรือคนที่เด่นในการให้ทานย่อมเป็นผู้สงาผ่าเผยและเด่นในปวงชนโดยไม่นิยมรูปร่างลักษณะผู้เช่นนี้มนุษย์และสัตว์ตลอดเทวดาที่มองไม่เห็น ก็เคารพรักจะตกทิศใดแดนใดย่อมไม่อดอยาขาดแคลนหากมีสิ่งหรือผู้อุปถัมภ์กันได้ไม่อับจนทนทุกแม้ในแดนมนุษย์เรานี้ก็พอเห็นได้อย่างเต็มตารู้ได้อย่างเต็มใจว่าผู้มีทานเป็นเครื่องประดับตัวย่อมเป็นคนไม่ล้าสมัยในสังคมและบุคคลทุกชั้นไม่มีใครรังเกียจแม้แต่คนที่มั่งมีแต่แสนตรนีทีเหนียว ก็ยังหวังต่อการสงเคราะห์ช่วยเหลือจะผู้อื่นเช่นเดียวกับพนธ์ทั่วไปไม่ต้องพูดถึงคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้แต่ไม่หวังให้ผู้อื่นช่วยเหลือจะไม่มีในโลกเมืองไทยเราอำนาจทานทําให้ผู้มีใจชอบบริจาคเกิดความเคยชินต่นิใสจนกลายเป็นผู้มีฤทธิ์บันดาลไม่ให้อดอยากในพบที่เกิดกําเนิดที่อยู่นั้นๆฉะนั้นทานและคนที่มีใจเป็นนักให้ทานการเสียสละจึงเป็นเครื่อง และเป็นผู้คำจุดหนุนโลกให้เฟื่องฟู ต, ตลอดไปโลกที่ยังมีการสงเคราะห์กันอยู่ยังจัดเป็นโลกที่มีความหมายตลอดไปไม่เป็นโลกที่ไร้ชาติขาดกระเจิงเหลือแต่สร้างคือแผ่นดินแน่ๆทานจึงเป็นสาระสําคัญสำหรับตัวและโลกทั่วไปผู้มีทานย่อมเป็นผู้อบอุ่นและหนุนโลกให้ชุ่มเย็นไม่เป็นบุคคลและโลกที่แห้งแล้งแข่งกับทุกตลอดไป ศีลคือรั้วกั้นความเบียดเบียนและทำลายสมบัติร่างกายและจิตใจของกันและกันศีลคือพืชแห่งความดีอันยอดเยี่ยมที่ควรมีประจำชาติมนุษย์ไม่ปล่อยให้สูญหายไปเสียเพราะมนุษย์ที่ไม่มีศีลเป็นรั้วกัน้นและเป็นเครื่องประดับตัวซะเลยก็คือกองเทิงแห่งมนุษย์เราดีๆนี่เองการเบียดเบียนและทำลายกันย่อมมีไปทุกยมย่าและทั่วโลกดินแดน ไม่มีเกาะมีดอนพอจะเอาศีรษะสุกนอนให้หลับสนิทได้โดยปลอดภัยแม้โลกจะเจริญด้วยวัตถุส่วนกองสูงกว่าพระอาทิตย์บนทองฟ้าแต่ความรุ่มร้อนแผดเผาจะทวีคูณยิ่งกว่าพระอาทิตย์ไปไหนๆโลกจะไม่มีที่ปลงใจได้เลยถ้ายังมงคิดว่าวัตถุมีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่ธรรมอยู่เพราะสิ่งธรรมเป็นสมบัติของจอมมนุษย์คือพระเจ้าผู้ค้นพบ และนำมาประดับโลกที่กำลังมืดมัวกลัวทุกพอให้สว่างสวร่มเย็นควรอาศัยได้บ้านด้วยอำนาจสิ้นธรรมเป็นเครื่องปัดเป่ากำจัดลำพังความคิดของมนุษย์ที่มีกิเลสคิดผลิตอะไรออกมากทำให้โลกร้อนจับเาลอยู่แล้วยิ่งจะปล่อยให้คิดตามอำนาจโดยไม่มีกลิ่นแห่งสิ้นธรรมช่วยเป็นยากแก้และฉลองไ้บ้างก็น่ากลัวความคิดนั้น จะผลิตยักษ์ใหญ่ตัวโหดร้ายที่ทรงทิศขึ้นมากี่แสนกี่ล้านตัวออกเที่ยวหากว้านกินมนุษย์ให้สิห้หายกันทั้งโลกไม่มีอะไรเหลืออยู่บ้างเลยความคิดของคนสิ้นกิเลสที่ทรงคุณอย่างสูงสุดคือพระเจา้ามีผลให้โลกได้รับความร่มเย็นซาบซึ้งกับความคิดที่เป็นไปด้วยกิเลสที่มีผลให้ตัวเองและผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนจนจะคาดมึงนี้แลเป็นความคิดที่ ผิดกันอยู่มากพอจะนำมาเทียบเทียงเพื่อหาทางแก้ไขพอนหนักพ่อนเบาลงได้บ้างไม่จมไปกับความคิดประเภทนั้นจนหมดทางแก้ไขศีลจึงเป็นเหมือนยาปราบโรคทั้งโรคระบาดและโรคเรื้อรังอย่างน้อยก็พอให้คนไข้ที่สูงด้วยกิเลสกินอยู่หลับนอนได้บ้างไม่ถูกบีบคั้นด้วยโรคที่เกิดแล้วไม่ยอมหายนี้ตลอดไปมากกว่านั้นก็หายขาดอยู่สบายท่านพระอาจารย์มั่น ท่านเมตตาสั่งสอนคารวากให้รู้คุณของศีลและให้รู้โทษของความไม่มีศีลอย่างถึงใจจริงๆฟังแล้วจับใจแพระแม้ผู้เขียนเองพอได้ทราบว่าท่านสั่งสอนประชาชนให้เห็นโทษเห็นคุณในศีลอย่างทราบซึ่งจับใจเช่นนั้นยังเผยตัวไปว่าอยากมีศีลห้ากับขาบ่าวว่างทั้งๆที่ขณะนั้นตนก็มีศีลอยู่ถึงสอง้อยี่สิเจดศีลอยู่แล้ว เพราะความปิติผาดผนไปบ้างเวลานั้นจึงขาดสติไปพักหนึ่งพอได้สติขึ้นมาเลยนึกอายตัวเองและไม่กล้าบอกใครกลัวท่านเหล่านั้นจะหาว่าเราบ้าซ้ำเข้าไปอีกเพราะขณะนั้นเราก็ชักจะบ้าบ้าอยู่บ้างแล้วที่คิดว่าอยากมีสินห้ากับคารวะเขาโดยไม่คลำดูสีสะบ้างเลยอย่างนี้แลคนเราเวลาคิดไปทางชั่วจนถึงกับทาชั่วตามความคิดจริง ก็คงเป็นไปในลักษณะดังกล่าวมาจึงควรเสี่ยงในความคิดของตนไปทุกระยะว่าคิดไปนในทางดีหรือชั่วถูกหรือผิดต้องคอยชักบังเหียนไว้เสมอไม่ฉะนนั้นมีหวังเลยเถิดได้แน่นอนภาวนาคือการอบรมใจให้ฉลาดที่ย่างตรงต่อเหตุผลอธรรมรู้จักวิธีปฏิบัติต่อตัวเองและสิ่งทั้งหลายว่าให้จิจพาผลโลดเต่นแบบไม่มีฝั่งมีฝา ยึดการภาวนาเป็นรั้วกัน้นความคิดฟุ้งของใจให้อยู่ในเหตุผลอันจะเป็นทางแห่งความสงบสุขใจที่ยังไม่ได้รับการอบรมจากภาวนาจึงยังเป็นเหมือนสัตว์ที่ยังไม่ได้รับการฝึกหัดให้ทำหน้าที่ของตนอย่างสมบูรณ์มีจํานวนมากน้อยก็ยังมิได้รับประโยชน์จากมันเท่าที่ควรจําต้องฝึกหัดให้ทําประโยชน์ตามประเภทของมันก่อนถึงจะได้รับประโยชน์ตามควร กายยังควรได้รับการอบรมให้รู้เรื่องของตัวสียบ้านจะเป็นผู้ควรแก่าการงานทั้งหลายทั้งส่วนหยาบส่วนละเอียดทั้งส่วนเล็กส่วนใหญ่ทั้งภายในภายนอกผู้มีภาวนาเป็นหลักใจจะทำอะไรชอบใช้ความคิดอ่านเสมอไม่คอยเอาตัวเข้าไปเสี่ยงต่อการกระทำที่ไม่แน่ใจซึ่งอาจเกิดความเสียหายแก่ตนและผู้เกี่ยวข้องตลอดส่วนรวมเมื่อผิดพลาดลงไป การภาวนาจึงเป็นงานเพื่อผลในปัจจุบันและอนาคตไม่เสียประโยชน์ทั้งสองทางประโยชน์สำคัญคือประโยชน์เฉพาะหน้าที่เรียกว่าทิฏฐธ ร, รมนิกัทปประโยชน์การงานทุกชนิดที่ทำด้วยใจของผู้มีภาวนาจะสำเร็จตรงด้วยความเรียบร้อยขณะที่ทำก็ไม่ทำแบบขอไปทีแต่ทำด้วยความใข้ครวนและเล็งถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากงานเมื่อสาเร็จลงไปแล้ว จะไปมาในทิศทางใดจะทำอะไรย่อมเล็งถึงผลได้เสียเกี่ยวกับการนั้ น, น, นเสมอการปกครองตนก็สะดวกไปฝ่าฝืนตัวเองซึ่งเป็นผู้มีหลักเหตุผลอยู่แล้วถือหลักความถูกต้องเป็นเข็มทิศทางเดินของกายวาจาใจประจําตัวไม่ยอมเปิดช่องให้ความอยากอันไม่มีขอบเขตเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะความอยากไปอยากมาอยากทําอยากพูดอยากคิดที่เคยเป็นมาดั่งเดิม เป็นไปตามอำนาจของกิเลสปัญหาซึ่งไม่เคยสนใจต่อความผิดถูกดีชั่วเสียมากต่อมากและพาเราเสียไปจนนับไม่ท้วนประมาณไม่ถูกจะเอาโทษกับมันก็ไม่ได้นอกจากยอมให้เสียไปอย่างน่าเสียดายแล้วพยายามแก้ตัวใหม่เท่านั้นเมื่อยังมีสติอยู่บ้างพอจะหักล้างกันได้ถ้าไม่มีสติพอระลึกบ้างเลยแล้วทั้งของเก่าก็เสียไปทั้งของใหม่ก็พลอยจมไปด้วย ไม่มีวันกลับฟื้นคืนตัวได้เลยนี่แลเรื่องของกิเลสต้องพาให้เสียหายเรื่อยไปฉะนั้นการภาวนาจึงเป็นเครื่องหักล้างความลามกไม่มีเหตุผลของตนได้ดีแต่วิธีภาวนานั้นรู้สึกลำบากอยู่บ้างเพราะเป็นการบังคับใจซึ่งเหมือนบังคับลิงให้อยู่เชิงเฉื่องพองานตา่างบ้านย่อมเป็นของลำบากฉะนั้นวิธีภาวนาก็คือวิธีสังเกตตัวเองนั่นแล คือสังเกตจิตที่มีนิสัยหลุกหลิกเหมือนถูกไฟหรือน้ำร้อนลวกไม่อยู่เป็นปกติสุขด้วยสติตามระลึกรู้ความเคลื่อนไหวของจิตโดยมีทรรมบทใดบทหนึ่งเป็นคำบริกรรมเพื่อปัญญารักษาจิตให้ทรงตัวอยู่ได้ด้วยความสงบสุขในในขณะภาวนาตามที่นิยมใช้กันมากและได้ผลดีก็มีอาณาปานาสติบ้างพุทโธบ้างธโมบ้างสังโฆ บ, บ้างเรลานุสติบ้าง หรือเกษาโรมานาขาทันตาตะโจโดยอนุรมปฏิรวมบ้านหรือใช้บริกรรมเฉพาะบทใดบทหนึ่งบ้านพยายามบังคับใจให้อยู่กับอารมณ์แห่งธรรมบทที่นำมาบริกรรมณขณะภาวนาใจที่อาศัยบทธรรมอันเป็นอารมณ์ที่ให้คุณไม่เป็นภัยแก่จิตใจยอมจะเกิดความสงบสุขขึ้นมาในขณะนั้นที่เรียกว่าจิตสงบหรือจิตรวมเป็นสมาธิคือความมั่นคงต่อตัวเอง ไม่อศัยทาบุญใดๆเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในเวลานั้นเพราะจิตมีกำลังพอดำรงตนอยู่โดยอิสระได้คําบริกรรมที่เคยนำมากากับใจก็ระ ง, งับกันไปชั่วขณะที่จิตปล่อยอารมณ์เข้าพักสงบตัวต่อเมื่อถอนขึ้นมาทํามีเวลาทาต่อไปอีกก็นำคําบริกรรมที่เคยกากับมาบริกรรมต่อไปพยายามทาอย่างนี้เสมอด้วยความใฝ่ใจไม่ลดละความเพียร จิตที่เคยทําบาปหาบทุกอยู่เสมอก็จะค่อยรู้สึกตัวและปล่อยวางไปเป็นลําดับและมีความสนใจหนักแน่นในหน้าที่ของตนเป็นประจำไม่ถูกบังคับถูถ่ายเหมือนขั้นเริ่มแรกซึ่งเป็นขั้นกําลังฝึกหัดจิตที่สงบตัวลงเป็นสมาธิเป็นจิตที่มีความสุขเย็ยนใจมากและจําไม่ลืมถ้าได้ปรากฏขึ้นเพียงครั้งเดียวย่อมเป็นเครื่องปลุกใจให้ตื่นตัวและตื่นใจได้อย่างน่าป ร, ราดหากไม่ปรากฏอีกในเวลาตอ่อไป ทั้งที่ภาวนาอยู่ในใจจะเกิดความเสียดายยังบอกไม่ถูกอารมณ์แห่งความติดใจและความเสียดายในจิตประเภทนั้นจะฝังใจไปนานนอกจากจิตจะเจริญก้าวหน้าขึ้นสู่ความสงบสุขละเอียดไปเป็นลำดับเท่านั้นจิตถึงจะลืมและเพลินในทำขั้นสูงเรื่อยไปไม่มาเกี่ยวข้องเสียดายจิตและความสงบที่เคยผ่านมาแล้วแต่เมื่อพูดถึงการภาวนาแล้ว ท่านผู้อ่านอาจจะรู้สึกเงางอยน้อยใจและอ่อนเปียกไปทั้งร่างกายและจิตใจว่าตนมีวาสนาน้อยทําไม่ไหวเพราะคิดว่ากิจการยุ่งยากทั้งภายในบ้านและนอกบ้านตลอดงานทังคมต่างๆลูกหลานก็มีหลายคนล้วนแต่ต้องเป็นธุระในค่าเลี้ยงดจูจะมัวมานั่งหลับตาภาวนาอยู่เห็นจะไม่ทันอยู่ทันกินกับโตกเขาต้องอดตายแน่ๆแล้วทําให้เกิดความอิจฉาระอาจใจไม่อยากทํา ประโยชน์ที่ควรได้เลยผ่านไปความคิดเช่นนั้นเป็นความคิดที่เคยฝังนิสัยมาดั้งเดิมและอาจเป็นความคิดที่คอยกีดกันทางเดินเพื่อการระบายคลายทุกทางใจไปเสียถ้าไม่พยายามคิดแก้ไขเสียแต่บัดนี้เป็นต้นไปแท้จริงการภาวนาคือวิธีการแก้ความยุ่งยากและความละบากทางใจทุกประเภทที่เคยรับภาระอันหนักหน่วงมานานให้เบาลงและหมดสิ้นไปเหมือนอุบายอื่น ที่เราเคยนำมาแก้ไขไล่ทุกข์ออกจากตัวเหมือนที่โลกทํากันมานั่นเองเช่นเวลาร้อนต้องแก้ด้วยวิธีอาบน้ำเวลาหนาวแก้ด้วยวิธีห่มผ้าหรือผิงไฟหรือด้วยวิธีอื่นๆเวลาหิวกระหายแก้ด้วยวิธีรับประทานและดื่มเวลาเป็นไข้ก็แก้ด้วยวิธีรับประทานหรือฉีดยาที่จะยั่งโรคให้สงบและหายไป ซึ่งล้วนเป็นวิธีการที่โลกเคยทำตลอดมาถึงปัจจุบันโดยไม่มีการผัดเพี้ยนเลื่อนเวลาว่ายังยุ่งยากยังลำบากและขัดสนจนใจใดๆทางนั้นทุกชาติชั้นวัณณนะจาต้องปฏิบัติกันทั่วโลกแม้แต่สัตว์ก็ยังต้องอาศัยการเยียวยารักษาตัวดังที่เราเห็นเขาหากินเลี้ยงปากเตี้องเพื่อ่อนคลายระบายทุกข์ไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอยังชีวิตให้เป็นไปตลอดการของเขา ล้วนเป็นวิธีการแก้ไขและรักษาตัวแต่ละอย่างละอย่างการอบรมใจด้วยพอนาก็เป็นวิธีหนึ่งแห่งการรักษาตัววิธีนี้ยิ่งเป็นงานสำคัญที่ควรสนใจเป็นพิเศษเพราะเป็นวิธีที่เกี่ยวกับจิตใจผู้เป็นหัวหน้างานทุกด้านโดยตรงงานอะไรเรื่องอะไรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวจิตจาต้องเป็นตัวการอย่างแยกไม่ออกที่จะต้องเข้ารับพระแบกหาม โดยไม่คํานึงถึงความหนั ก, นกเบาและชนิดของงานว่าเป็นงานชนิดใดจะพอยกไหวไหมแต่จิตต้องข้อรับภาระทันทีดีหรือชั่วผิดหรือถูกไม่ค่อยสนใจคิดแม้งานหรือเรื่องจะหนักเบาเศร้าโศกเพียงใดซึ่งบางเรื่องแทบจะคว้าเอาชีวิตไปด้วยในขณะนั้นแม้เช่นนั้นใจ ย, ยังกล้าเอาตัวเข้าไปเสี่ยงและแบกขามจนได้โดยไม่คานึงว่าจะเป็นจะตาย เพเหลือบากว่าแรงมิหนำยังหอบเอาเรื่องมาคิดเป็นการบ้านอยู่อีกจนแทบนอนไม่หลับรับประทานไม่ได้ก็ยังมีในบางครั้งเขาว่าน่าเกินไปยกไม่ไหวเพ า, าเกินกว่ากําลังใจจะคิดและต้านทานนั้นเป็นไม่มีมีแต่จะสู้เอาท่าเดียวงานทางกายยังมีเวลาพักผ่อนและยังรู้ประมาณว่าควรหรือไม่ควรแก่กําลังของตนเพียงใดส่วนงานทางใจ ไม่มีวันเวลาได้พักผ่อนเอาเลยจะมีพักอยู่บ้างเล็กน้อยก็ออกขณะหลับนอนเท่านั้นแม้เช่นนั้นจิตยังอุตส่าห์ทำงานด้วยการละเมอเพ้อฝันต่อไปอีกและไม่รู้จักประมาณว่าเรื่องต่างๆนั้นควรหรือไม่ควรแก่กำลังของใจเพียงใดเมื่อเกิดเป็นอะไรขึ้นมาก็ทราบแต่เพียงว่าทุกเหลือทนแต่ไม่ทราบว่าทุกข์เพราะงานหนักและเรื่องเผ็ดร้อนเหลือกำลังที่ใจจะสู้ไหว จึงควรให้นามว่าใจคือนักต่อสู้เพราะดีก็สู้ชั่วก็สู้สู้จนไม่รู้จักหยุดยั้งไตรตรองอารมณ์ชนิดใดผ่านมาต้องสู้และสู้แบบรับเหมาไม่ยอมให้อะไรผ่านหน้าไปได้กิตเป็นชนิดแหลจึงสมนามว่านักต่อสู้เพราะสู้จนไม่รู้จักตายายังครองร่างอยู่และไม่ได้รับการแก้ไขก็ต้องเป็นนักต่อสู้เรื่อยไปชนิดไม่มีวันปลงวางภาระลงได้ ปล่อยให้เป็นไปตามชอบของใจที่ไม่รู้ประมาณโดยไม่มีธรรมเครื่องยับยั้งบ้านคงไม่มีเวลาได้รับความสุขแม้สมบัติจะมีเป็นก่ายพองเพราะนั้นไม่ใช่กองแห่งความสุขแต่กลับเป็นกองส่งเสริมทุกสําหรับใจที่ไม่มีเรือนพักคือทำภายในใจนักปราชญ์ท่านกล่าวได้อย่างเต็มปากว่าทำแลเป็นเครื่องปกครองทรัพย์สมบัติและปกครองใจถ้าใจมีธรรมมากน้อย ผู้นั้นแม้ ม, มีทรัพย์สมบัติมากน้อยย่อมจะมีความสุขพอประมาณถ้าขาดทำเพียงอย่างเดียวลำพังความอยากของใจจะพยายามหาทรัพย์ให้ได้กองท้าบุกเขาก็ยังหาความสุขไม่เจอเพราะนั้นเป็นเพียงเครื่องอาศัยของกายและใจผู้ฉลาดหาความสุขใส่ตัวเท่านั้นถ้าใจไม่ฉลาดไม่ทำไม่มีธรรมในใจเพียงอย่างเดียวจะไปอยู่ในโลกใดและกองสมบัติใดก็เป็นเพียงโลกเศษเดน่น และกองสมบัติเศษเดนอยู่เท่านั้นไม่มีประโยชน์อะไรแก่ใจเลยแม่นิดความสมบุกสมบันความรับทุกข์ทรมานความอดทนและความทนทานต่อสิ่งกระทบกระทั่งต่างๆไม่มีอะไรจะแข็งแกร่งเท่าใจถ้าได้รับความช่วยเหลือที่ถูกทางใจจะกลายเป็นของประเสริฐขึ้นมาให้เจ้าของได้ชมอย่างภูมิใจและอิ่มพอต่อเรื่องทั้งหลายทันทีการใช้งานจิตนับแต่วันเกิดจนบัดนี้ รู้สึกว่าใช้เอาอย่างไม่มีปราณนีปราัยถ้าเป็นเครื่องใช้ชนิดต่างๆมีรถปราเป็นต้นจะเป็นอย่างไรบ้างไม่ควรพูดถึงการนำเข้าอู่ซ่อมแต่ควรพูดถึงความแหลกยับเยินของรถจนคลายเป็นเศษเหล็กกันานแล้วจะเหมาะสมกว่านี่แลทุกสิ่งเมื่อมีการใช้ต้องมีการบูรณะซ่อมแซมมีการเก็บรักษาถึงจะพอมีทางอำนวยประโยชน์ต่อไปจิตเป็นสมบัติสำคัญมากในตัวเรา ที่ควรได้รับการเหลีวแลด้วยวิธีเก็บรักษาเช่นเดียวกับสมบัติทั่วไปวิธีที่ควรแก่จิตโดยเฉพาะก็คือภาวนาวิธีดังที่อธิบายมาบ้างแล้วผู้สนใจในความรับผิดชอบต่อจิตอันเป็นสมบัติที่มีค่ายิ่งของตนจึงควรปฏิบัติรักษาจิตด้วยวิธีที่ถูกต้องเหมาะสมฝึกหัดภาวนาในโอกาสอันควรเพื่อเป็นการตรวจตราดูเครื่องเคลาของรถคือจิตว่ามีอะไรบกพร่องและเสียไปบ้าน จะได้นำเข้าโรงซ่อมสุขภาพทางจิตคือนั่งพินิษพิจารณาดูสังขารภายในคือความคิดปรุงของใจว่าคิดอะไรบ้างในวันและเวลาหนึ่งๆพอมีสาระประโยชน์บ้างไหมหรือพยายามคิดแสหาแต่เรื่องหาแต่โทษและขนทุกมะพร้าวลนเจ้าของอยู่ทํางนองนั้นพอให้รู้ความผิดถูกของตัวบ้างและพิจารณาสังขารภายนอกคือร่างกายของเรา ว่ามีความเจริญขึ้นหรือเจริญลงในวันและเวลาหนึ่งๆที่ผ่านไปจนกลายเป็นปีเก่าและปีใหม่ขลดเปลี่ยนกันไปไม่มีที่สิ้นสุดสังขารร่างกายเรามีอะไรใหม่ขึ้นบ้างไหมหรือมีแต่ความเก่าแก่และคล่ำคลาชาราหลุดลงไปทุกวันซึ่งพอจะนอนใจกับเขา ห, หรือจึงไม่พยายามเตรียมตัวเตรียมใจเสียแต่เวลาที่พอทาได้เวลา่ายแล้วจะเสียการ นี่คือการภาวนาการภาวนาคือวิธีเตือนตนสั่งสอนตนตรวจตราดูความบกพร่องของตนว่าควรจะแก้ไขจุดใดตรงไหนบ้างผู้ใช้ความพิจารณาอยู่ถนองนี้เรื่อยๆด้วยวิธีสมาธิภาวนาบ้างด้วยกา ร, รําพึงในอริยบทต่างๆบ้างใจจะสงบเยือกเยน็นไม่ลำพองผยองตัวและกวาทุกข์มันเผาล้นตัวเองเป็นผู้รู้จักประมาณ ทั้งหน้าที่การ ง, งานที่พอเหมาะพอดีแก่ตัวทั้งทางกายและทางใจไม่ลืมตัวมั่วสมในสิ่งที่เป็นหายณะต่างๆคุณสมบัติของผู้ภาวนานี้มีมากมายไม่อาจทนานาให้จบสิ้นลงได้แต่ท่านพระอาจารย์มัน่นท่านม่ได้อธิบายลึกซึ้งมากไปกว่าฐานะของคารวาที่มารับการอบรมผิดกับท่านอธิบายให้พระเณนฟังอยู่มากเท่าที่เขียนตามท่านอธิบายไว้พ อ, พอหอมปากหอมคอนี้ ก็ยังอาจมีบทที่รู้สึกว่าเปรี้ยวจัดเข็มจัดแฝงอยู่บ้างตามทัศนะของนาน า, ากิจต่างจะให้เป็นแบบเดียวกันย่อมไม่ได้เท่าที่ได้พยายามจะเกียรตกายนามาลงก็เพื่อท่านผู้อ่านได้ช่วยติชมพอเป็นยาอายุวัฒนะผิดถูก ป, ประการใดโปรดได้ตำหนิผู้นำมาเขียนกรุณาอย่าได้สนใจกับท่านผู้เป็นเจ้าของถวายเพราะท่านไม่ได้มีส่วนรู้เห็นด้วย เวลาแสดงธรรมขั้นสูงท่านก่อแสดงเป็นการภายในเฉพาะผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเท่านั้นแต่ผู้เขียนขนองไปเองใจและมือไม่อยู่เป็นสุขไปเที่ยวสอกแสกบันทึกเอาจากปากคําของพระอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งเคยอยู่กับท่านมาเป็นคราวๆในสมัยนั้นนั้นแล้วนํามาลงเพื่อท่านผู้อ่านได้ทราบปฏิปทาการดําเนินของท่านว่าแม้ไม่สมบูรณ์เพราะปฏิปทาท่านปรากฏว่า เด็ดเดียวอาจฐารว่าแทบจะพูดได้ว่าไม่มีท่านผู้ใดบรรดาลูกศิษย์ที่เคยพึ่งร่มเงาแห่งบารมีท่านมาจะสามารถปฏิบัติเด็ดเดียวต่อธุดงควรและจะริยธรรมทั้งหลายอย่างสม่ำเสมอเหมือนท่านสําหรับองค์ท่านทั้งข้อปฏิบัติทั้งความรู้ภายในใจนับว่าเป็นเยี่ยมในสมัยปัจจุบันอยากจะหาผู้เสมอเหมือนได้แถบจังหวัดอุดรและหนองคายตามในปา่าชายเขาและบนเขา ที่ท่านพักอยู่ท่านเล่าว่าพวกเทพทั้งเบื้องบนเบื้องล่างมาเยี่ยมฟังธรรมท่านเป็นคราวๆครึ่งเดือนบ้างหนึ่งเดือนบ้างมาอาหนหนึ่งไม่บ่อยนักเหมือนจังหวัดเชียงใหม่แต่จะเขียนต่อเมื่อประวัติท่านดาเนินไปถึงระยะนี้ขอดำเนินเรื่องไปตามลาดับเพื่อไม่ให้เศร้ายกันท่านเคยไปพักบําเพ็ญเพียรอยู่ชายเขาฝั่งไทยตะวันตกเมืองหลวงพระบางนานพอสมควร ท่านเล่าว่าที่ใต้ชายเขาลูกนั้นมีเมืองพญานาคตั้งอยู่ใหญ่โตมากหัวหน้าพญานาคพาบริวารมาฟังธรรมท่านเสมอได้มากันมากมายในบางครั้งพวกนาคไม่ควอยมีปัญหามากเหมือนพวกเทวดาพวกเทวดาทั้งเบื้องบนเบื้องล่างมักมีปัญหามากพอๆกันส่วนความเลื่อมสใสในธรรมนั้นมีพอๆกันท่า น, น พ, พกนานักอยู่ชายเขาลูกนั้นพญานาคมาเยี่ยมท่านแท้ทุกคืน และมีบริวารติดตามมาไม่มากนะักนอกจากจะพามาเป็นพิเศษถ้าวันไหนพญานาคจะพาบริวารมามากท่านก็ทราบได้ล่วงหน้าก่อนทุกครั้งท่านว่าท่านพักอยู่ที่นั้นเป็นประโยชน์แก่พวกนาคและพวกเทวดาโดยเฉพาะไม่ค่อยเกี่ยวกับประชาชนนักพวกนาคมาเยี่ยมท่านไม่ไม่มาตอนดึกนะักท่านว่าอาจจะเป็นเพราะที่ที่พักสงัดและอยู่ห่างไกลาจากหมู่บ้านก็ได้ พวกนาคจึงพากันมาเยี่ยมเฉพาะที่นั้นราวยี่สิบสองถึงยี่สิบสามนาฬิกาคือสี่ถึงห้าทุ่มส่วนที่อื่นๆมาเด็กกว่านั้นก็มีเวลาขนาดนั้นก็มีพญานาคอาราธนานิมนต์ท่านให้อยู่ที่นั่นนานๆเพื่อโปรดเขาเข า, าเคารพเรื่อมใส่ท่านมากและจัดให้บริวารมารักษาท่านทั้งกลางวันและกลางคืนโดยผัดเปลี่ยนวาระกันมามิได้ขาดแต่เขาไม่ได้มาอยู่ใกล้นะัก อยู่ห่างๆพอทราบและรักษาเหตุการณ์เกี่ยวกับท่านได้สะดวกส่วนพวกเทพโดยมากมักมาดึกกว่าพวกนาคือยี่สิบสี่นาฬิกาหรือตีหนึ่งตีสองจะอยู่ในเขาห่างไกลจากหมู่บ้านพวกเทพก็มีมาแต่วันราวยี่สิบสองถึงยี่สิบสามนาฬิกาอยู่บ้านจึงไม่แน่นักแต่โดยมากตั้แต่ที่ขึ้นขึ้นไปพวกเทพชอบมากันเป็นนิสัย ข้อวัดประจําองค์ท่านโดยเฉพาะในมัชิมวัยข้อวัดประจําองค์ท่านโดยเฉพาะในมัชมวัยหลังจากหันเสร็จแล้วเข้าทางจงกรมชวนเที่ยงหรือเที่ยงวันเข้าที่พักกลางวันเล็กน้อยหลังจากพักก็เข้าที่ทําสมาธิภาวนาราวชั่วโมงครึ่งจากนั้นลงเดินจงกรมจนถึงเวลาบ่ายสี่โมงปัดกวาดลานวัดหรือที่พักเสร็จแล้วส่งน้ําแล้วเข้าทางจงกรมอีก จนถึงเวลาหนึ่งถึงสองทุ่มเข้าที่พักทาสมาธิภาวนาต่อไปถ้าเป็นหน้าฝนหรือหน้าแรงคืนที่ฝนไม่ตกท่านยังลงมาเดินจงโคลมอีกจนดึกดื่นถึงจะขึ้นกุฏิหรือเข้าที่พักซึ่งเป็นร้านเล็กๆถ้าเห็นว่าดึกมากไปท่านก็เข้าพักจังวัดปกติท่านพักจังวัดราวยี่สิบสามนาฬิกาคือห้าทุ่มไปตื่นเอาตีสามหรือเก้าทุ่มถ้าวันใดจะมีแขกเทมาเยี่ยมฟังธรรม ซึ่งปกติท่านต้องทราบไว้ล่วงหน้าในตอนเย็นก่อนแล้วทุกครั้งวันนั้นถ้าเขาจะมาดึกท่านก็รีบพักเสียก่อนถ้าจะมาราวห้าทุ่มหรือเที่ยงคืนก็เข้าที่รอรับพวกเทพอย่างนี้เป็นประจำท่านไปพักบำเพ็ญในที่บางแห่งบางคืนมีทั้งพวกเทพเบื้องบนและเทพเบื้องล่างจะมาเยี่ยมท่านในเวลาเดียวกันก็มีถ้าเป็นอย่างนี้ท่านต้องย่นเวลาคือรับแขกเทพ พวกมาถึงก่อนแต่น้อยแสดงทําให้ฟังและแก้ปัญหาเท่าที่จําเป็นแล้วก็บอกพวกชาวเทพที่มาก่อนให้ทราบว่าถัดจากนี้ไปจะมีชาวเทพมาฟังธรรมและถามปัญหาอีกพวกที่มาก่อนก็รีบลาท่านกลับไปพวกมาทีหลังซึ่งรออยู่ห่างๆพอไม่ให้เสียมารยาความกรอบก็พากันเข้ามาท่านก็เริ่มแสดงธรรมให้ฟังตามแต่บาทรคาถาที่ท่านกําหนดในขณะนั้นจะผุดขึ้นมา ซึ่งพอเหมาะกับจริตนิสัยและภูมิของเทพพวกนั้นๆบางทีหัวหน้าเทพก็แสดงความประสงค์ขึ้ น, นเสียงว่าขอฟังธรรมนั้นท่านก็เริ่มกําหนดพอทํานั้นพุดขึ้นมาก็เริ่มแสดงให้พวกเทพฟังในบางครั้งหัวหน้าเทพขอฟังธรรมประเภทนั้นท่านสงสัยต้องถามเขาก่อนว่าธรรมนั้นชื่ออะไรในสมัยนี้เพราะชื่อธรรมที่พวกเทพเคยนับถือกันมาตั้งเดิมแต่สมัยโน้น กับชื่อทำในสมัยนี้ต่างกันในบางสูตรบางคัมภีร์เขาก็บอกว่าอย่างนั้นในสมัยนั้นในสมัยนี้แต่สมัยโน้นซึ่งพวกเทพนับถือกันมาชื่อว่าอย่างนั้นบางครั้งถ้าสงสยัยท่านก็กําหนดเองยอมเสียเวลาเล็กน้อยบางครั้งก็ถามเขาเลยทีเดียวแต่บางครั้งพอเขาขอฟังทำสูตรนั้นหรือคัมภีร์นั้นซึ่งเป็นสูตรหรือคัมภีร์ที่ท่านเคยรู้อยู่แล้ว นึกว่าเป็นความนิยมในชื่ออันเดียวกันท่านเลยไม่ต้องกำหนดพิจารณาต่อไปเพราะเข้าใจว่าตรงกันกับที่เขาขอท่านเริ่มแสดงไปเลยพอแสดงขึ้นเขารีบบอกทันทีว่าไม่ใช่ท่านยกสูตรหรือคำภีผิดไปต้องขึ้นคาถาว่าอย่างนั้นถึงจะถูกอย่างนี้ก็มีท่านว่าพอโดนเข้าครั้งหนึ่งสองครั้งก็จาได้เองจากนั้นท่านต้องกาหนดให้แน่ใจเช่นก่อนว่า ตรงกับมนุษย์และเทวดานิยมใช้ตรงกันหรือเปล่าค่อยเริ่มแสดงต่อไปบางวันพวกเทืกเบื้องบนบ้านเบื้องล่างบ้างพวกใดพวกหนึ่งจะมาเยี่ยมฟังธรรมกับท่านในเวลาเดียวกันกับพวกพญายนาคจะมาก็มีเช่นเดียวกับแขกมนุษย์เรามาเยี่ยมครูอาจารย์ในเวลาเดียวกันฉะนั้นแต่นานๆมีครั้งในกรณีเช่นนี้เมื่อเขามาในเว ล, เวลาตรงกันบ่อยๆคราว ท่านจำต้องตกลงกับเทพทั้งเบื้องบนเบื้องล่างว่าพวกนี้ให้มาในเวลาเท่านั้นพวกนั้นให้มาในเวลาเท่านั้นและพวกนากให้มาในเวลาเท่านั้นเพื่อความสะดวกทั้งฝ่ายพระฝ่ายเทพและฝ่ายนาคทั้งหลายตามท่านเล่าว่าท่านไม่ค่อยมีเวลาว่างเท่าไหร่นักแม้จะไปอยู่ในป่าในเขาลึกๆก็จำต้องปฏิบัติต่อพวกเทพซึ่งมาจากเบื้องบนชั้นต่างๆ และมาจากเบื้องล่างในที่ต่างๆกันอยู่นั่นเองในคืนหนึ่งพวกหนึ่งชั้นหนึ่งไม่มาก็ต้องมีอีกพวกหนึ่งอีกชั้นหนึ่งและพวกกรุกประเทศที่ใดที่หนึ่งมากันจนได้จึงไม่ค่อยมีเวลาว่างในเวลากลางคืนแต่ที่เช่นนั้นมนุษย์ไม่ค่อยมีถ้าลงมาพักใกล้บ้านใกล้เมืองก็เป็นชาวมนุษย์จากที่ต่างๆมาเยี่ยมแต่ต้องต้อนรับเวลากลางวันตอนบ่ายหรือเย็น จากนั้นก็อบรมพระเนนต่อไปคระที่จะเขียนประวัติของชาวมนุษย์เราในอนาตต่อจากชาวเทพที่มาเกี่ยวข้องกับท่านซึ่งผู้เขียนมีส่วนได้เสียรวมอยู่ด้วยเพราะความเป็นมนุษย์ปุจุชนด้วยกันจึงต้องขออภัยท่านผู้อ่านมากๆหากเป็นการไม่งามและไม่สมควรประการใดในเนื้อหาต่อไปนี้เพราะความจําเป็นที่จําต้องเขียนตามความจริงที่ท่านเล่าให้ฟังเป็นการภายในโดยเฉพาะ แต่ผู้เขียนมีนิสัยไม่ดีประจำตัวที่แก้ไม่ถกในบางกรณีดังเรื่องที่จะเขียนต่อไปนี้ทั้งนี้เพื่อจะได้นำมาเทียบเคียงกันระหว่างชาวมนุษย์กับชาวเทพและถือเอาประโยชน์เท่าที่ควรจึงขออภัยอีกครั้งถ้านเล่าว่าการติดต่อและแสดงธรรมระหว่างมนุษย์กับเทวดารู้สึกต่างกันอยู่มากคือเวลาแสดงธรรมให้เทวดาฟังไม่ว่าเบื้องบนเบนืบ้องล่างหรือลุก เ, เทวดา พวกนี้ฟังเข้าใจง่ายกว่ามนุษย์เราหลายเท่าพอแสดงธรรมจบลงเสียงสาทุกการสามครั้งกระเทือนโลกระถขณะที่พวกเทพทุกชั้นทุกภูมิมาเยี่ยมก็มีความเคารพพระอย่างยิ่งไม่เคยเห็นพวกเทพแม้รายหนึ่งแสดงอาการไม่ดีไม่งามภายในใจทุกอาการของพวกเทพอ่อนนิ่มเหมือนผ้า พ, พับไว้เสมอกันในขณะนั้นขณะที่มาก็ดีขณะนั่งฟังธรรมก็ดี ขณะจะจากไปก็ดีเป็นความสงบเรียบร้อยและสวยงามไปตลอดสายแต่เวลาแสดงทําให้ชาวมนุษย์ฟังกลับไม่เข้าใจกันแม้อธิบายซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจนอกจากไม่เข้าใจแล้วยังคิดตำหนิผู้แสดงอยู่ภายในอีกด้วยว่าเทศอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยสู่องค์นั้นไม่ได้สู่องค์นี้ไม่ได้บางรายยังอดจะเอากิเลสจับยาบอยู่ภายในของตัวออกอวดไม่ได้ว่า สมัยเราบวชยังเทศเก่งกว่านี้เป็นไหนๆคนฟังหากันตึงๆด้วยความเพลิดเพลินไม่มีการห่วงเหงาหานอนเลยยิ่งเทศโจดสองธรรมาด้วยแล้วคนฟังหัวรอ ก, กันไม่ได้หุบปากตลอดกันบางรายก็คิดในใจว่าคนเล่าลือกันว่าท่านเก่งมากทางรู้วาระน้ำกิดคนใครคิดอะไรขึ้นมาท่านรู้ได้ทันทีแต่เวลาเราคิดอะไรรท่านไม่เห็นรู้บ้างเลย ถ้ารู้ก็ต้องแสดงออกบ้านถ้าไม่แสดงออกตรงๆต่อหน้าผู้กำลังคิดก็ควรพูดเป็นอุบายเปลี่ยบเลยว่าในกอในขอไม่ควรคิดเช่นนั้นเช่นนั้นมันผิดควรเปลี่ยนความคิดจะใหม่ดังนี้เพอจะจับเงื่อนได้ว่าผู้รู้หัวใจคนจริงสมคำเล่ารือบางรายเตรียมจะมาจับผิดจับพลาดด้วยความปวดตัวว่าฉลาดอย่างพอตัวผู้นั้นไม่มีความสนใจต่อทําเอาเลย แม้จะแสดงธรรมให้ผู้อื่นฟังด้วยวิธีใดๆที่เขานั่งฟังอยู่ด้วยในขณะนั้นก็เป็นเหมือนเทน้ำใส่หลังมานั่นเองมันสลัดทิ้งหมดทันทีไม่มีน้าเหลืออยู่บนหลังแม้หยดเดียวว่าแล้วท่านกห็หัวเราะอาจจะขบขันในใจอยู่บ้างที่นานๆท่านจะได้พบมนุษย์ที่ฉลาดสักครั้งหนึ่งแล้วก็เล่าต่อไปเวลามาตางก็แบกทิฏิมาณมาจนจะเดินแทบไม่ไหว เพราะหนักมากเกินกว่าแรงมนุษย์ทั้งคนจะแบกหามได้ในตัวทั้งหมดปรากฏว่ามีแต่ทิฐิมานะตัวเป่งๆทั้งนั้นไม่ใช่ของเล่นมองดูแล้วน่ากลัวยิ่งกว่าที่จะน่าสงสารและคิดแสดงทำให้ฟังแต่ก็จำต้องแสดงเพื่อสังคมถูถายกันไปอย่างนั้นแหละทำก็ไม่ทราบว่าหายไปไหนหมดคิดหาแต่ระ บ, ระบาดก็ไม่เห็นมีแสดงขึ้นมาบ้างเลยเข้าใจว่า ทำจะสู้ตัวเปลงๆไม่ไหวเลยวิ่งหนีหมดยังเหลือแต่ตัวเปล่าที่เป็นเหมือนตุ๊กตาซึ่งกำลังถูกเหล็กแหวมทิ่มแทงอยู่อย่างไม่มใีใครสนใจว่าจะมีความรู้สึกอย่างไรเวลานั้นที่เขาตำหนิก็ถูกของเขาเพราะบางครั้งเราก็ไม่มีทําโผล่หน้าขึ้นมาเพื่อให้แสดงบ่างเลยจริงๆมีแต่นั่งอยู่มันหูต่อจะได้อัดตะทามาจากไหนแล้วท่านก็เราะไปทาง เล่าไปพลางผู้นั่งฟังอยู่ด้วยกันหลายคนในขณะนั้นบางรายก็เกิดตัวสั่นขึ้นมาเอาทิชเฉยแต่หาไข่ไม่เจอหาหนาวไม่เจอเพราะไม่ใช่นาหนาวเลยพากันดาเอาเองว่าคงเป็นเพราะความกลัวนั่นเองท่านว่าธรรมะจําจเป็นจริงๆก็ไม่เทศเพราะการเทศเป็นเหมือนโปรยาพิษทำลายคนผู้ไม่มีความเคารพอยู่ภายในส่วนธรรมนั้นยกไว้ว่าเป็นธรรมที่เยี่ยมยอดจริงๆ มีคุณค่ามหาศาลสำหรับผู้ตั้งใจและมีเมตตาเป็นธรรมไม่อวดรู้อวดฉลาดเหนือธรรมตรงนี้แหละที่สำคัญมากและทำให้เป็นยาพิษเผาลนเจ้าของผู้ก่อเหตุโดยไม่รู้สึกตัวผู้ไม่ก่อเหตุผลจะเกิดขึ้นได้อย่างไรขณะนั่งฟังอยู่ด้วยกันหลายคนผู้ร้อนร้อนจนจะละลายตายไปก็มีผู้เย็นเย็นจนตัวจะเหาะลอยขึ้นบนอากาศก็มี ันผิดกันที่ใจดวงเดียวนี้เท่านั้นนอกนั้นไม่สำคัญเราจะพยายามอนุเคราะห์เขาเพื่อผลนหักให้เป็นเบาบ้างก็ไม่มีทางเมื่อใจไม่ยอมรับแล้วแม้จะพยายามคิดว่าทใไมเกิดประโยชน์ก็ไม่อยากให้เกิดโทษแต่ก็ปิดไม่อยู่เพราะผู้คอยจะสร้างบาปสร้างกรรมนั้นเขาสร้างอยู่ตลอดเวลาแบบไม่สนใจกับใครและอะไรทั้งนั้นการเทศสั่งสอนมนุษย์นับว่ายากอยู่ไม่น้อย เวลาเขามาหาเราซึ่งไม่กี่คนแต่โดยมากก็ต้องมียาพิษแอบติดตัวมาจนได้ไม่มากก็พอให้รำคาญใจได้ถ้าเราจะสนใจรำคาญอย่างโรกๆ ก, ก็ต้องได้รำรำคาญจริงๆแต่นี้ปล่อยตามบุญตามกรรมเมื่อหมดทางแก้ไขแล้วถือถือว่าเป็นกรรมของสัตว์ท่านว่าแล้วก็หัวเราะผู้ทั้งใจมาเพื่อสแสวงหาอัคคธรรมหาบุญกุศลด้วยความเชื่อบุญเชื่อกรรมจริงๆก็มี นั่นน่าเห็นใจและน่าสงสารมากแต่มีจํานวนน้อยผู้มาสแสวงหาสิ่งไม่เป็นท่าและไม่มีขอบเขตนั้นรู้สึกมากเหลือหูเหลือตาพรรณนาไม่จบฉะนั้นจึงชอบอยู่แต่ในป่าในเขาอันเป็นที่สบายกายสบายใจทําความภาคเพียนก็เป็นไม่เต็มหน่วยไม่มีสิ่งรบกวนให้ลําบากตาลําบากใจมองไปทางไหนคิดเรื่องอะไรเกี่ยวกับอธรรมก็ปลอดโปร่งโล่งใจ มองดูและฟังเสียงสัตว์สาลาสิงห์พวกลิงข้างบางชนีที่หยอกเล่นกันทั้งห้อยโหนโยนตัวและกูรองโหยหวนหากันอยู่ตามกิ่งไม้ ช, ชายเขาลำเนาป่ายังทำให้เย็นตาเย็นใจไปตามโดยมิได้คิดว่าเขาจะมีความรู้สึกอะไรต่อเราต่างตัวต่างหากินและปีนขึ้นโดดลงไปตามภาษาของสัตว์ทำให้รู้สึกในเอิยาบทและความเป็นอยู่ทุกด้านสดชื่นผองใสและวิเวกวางเวง หากจะมีอันเป็นอันตายขึ้นมาในเวลานั้นก็เป็นไปด้วยความสงบสุขทั้งทางกายและจิตใจไม่เกลื่อนกลนวุ่นวายตายแบบธรรมชาติคือมาคนเดียวไปคนเดียวแทนโดยมากพระสาวกอรหันท่านนิพพานแบบนี้กันทั้งนั้นเพราะกายและจิตของท่านไม่มีความเกลื่อนกลนวุ่นวายไม่แอบแฝงมีกายอันเดียวจิตดวงเดียวและมีอารมณ์เดียวไม่ไหลบ่าแสหาความทุกข์ ไม่สั่งสมอารมณ์ใดๆมาเพิ่มเติมให้เป็นการหนักน่วงทวงตนท่านอยู่แบบอริยะไปแบบอริยะไม่ระคนคละคล้ากับสิ่งที่จะทําให้กังวลเศร้าหมองในทิฏฐธรรมปัจจุบันสะอาดเท่าไรา ย, ยิ่งรักษาบริสุทธิ์เท่าไรา ย, ยิ่งไม่คุ้นกับอารมณ์ตรงกันข้ามกับที่วันหนักเท่าไรา ย, ยิ่งขนมาเพิ่มเข้าแต่ท่านเบาเท่าไรา ย, ยิ่งขนออกจนไม่มีอะไรจะคนแล้วก็อยู่กับความไม่มีทั้งๆ ท, ที่ผู้ว่าไม่มีก็ คือใจก็มีอยู่กับตัวคือไม่มีงานจะขนออกและขนเข้าอีกต่อไปเรียกว่าบรรลุถึงขั้นคนว่างงานใจว่างงานทางศาสนาถือว่าการว่างงานแบบนี้เป็นความสุขอันยิ่งใหญ่ผิดกับโลกที่ผู้ว่างงานกลายเป็นคนมีทุกข์มากขึ้นเพราะไม่มีทางไหลมาแห่งโภกษะศัพด์ถ้าเล่าความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับเทวดาให้ฟังมากมายแต่นามาเขียนเท่าที่จาได้และที่เห็นว่า ควรจะยึดเป็นสารับประโยชน์ได้บ้างตามสติปัญญาที่จะคัดเลือกหาแง่ที่เป็นประโยชน์ที่มีขาดตอนไปบ้างในเรื่องเดียวกันเช่นเรื่องเทวดาเป็นต้นซึ่งควรจะนำมาเชื่อมโยงติดต่อกันไปจนจบแต่ไม่สามารถทำได้ในระยะนี้นั้นเกี่ยวกับประสบการณ์ของท่านผู้เป็นเจ้าของมีประสบหลายครั้งทั้งในที่และสมัยต่างๆทาง่ทานจาต้องเขียนไปตามประวัติที่ท่านประสบเพื่อให้เรียงลาดับกันไป แม้เรื่องเทวดาก็ยังจะมีอยู่อีกในเวรต่อไปตามประวัติที่ผู้เขียนดาเนินไปถึงตามประสบการณ์นั้นไม่กล้านาะมาลงให้คละคร้าวกันจึงขออภัยด้วยหากไม่สะดวกในการอ่านซึ่งมุ่งประสงค์จะให้จบสิ้นในเรื่องทํานองเดียวกันในตอนเดียวกันที่ท่านเล่าระหว่างมนุษย์กับเทวดานั้นเป็นเรื่องราวของมนุษย์และเทวดาในสมัยโน้นต่างหาก ซึ่งองค์ท่านผู้ประสบและเล่าให้ฟังก็มรณภาพผ่านไปราวยี่สิบปีนี้แล้วคิดว่ามนุษย์และเทวดาสมัยนั้นคงจะแปรสภาพเป็นอนิจจังไปตามกฎอันมีมาดั้งเดิมอาจจะยังเหลือเฉพาะมนุษย์และเทวดาสมัยใหม่ซึ่งต่างก็ได้รับการอบรมพัฒนาทางจิตใจและความประพฤติกันมาพอสมควรเรื่องมนุษย์ทานองที่มีในประสบการณ์ของท่านจนกลายเป็นประวัติมานั้น คงจะไม่มีท่านผู้สนใจสืบต่อให้รกรวงรังแก่ตนและประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อีกต่อไปเพราะการศึกษานันเจริญผู้ได้รับการศึกษามากคงไม่มีท่านผู้มีจิตใจใฝ่ตามขนาดนั้นจึงเป็นที่เบาใจกับชาวมนุษย์ในสมัยนี้ท่านพักบำเพ็ญและอบรมพระเนนและประชาชนชาวจังหวัดอุดรห น, นองคายพอสงบแล้วก็ย้อนกลับไปทางจังหวัดสกลนครเที่ยวไปตามหมู่บ้าน ที่มีอยู่ในป่าในเขาต่างๆมีอำเภอวาริจภูมิพังโคนสว่างแดนดินวานอนิวาอากาศอํานวยแล้วก็เลยเข้าเขตจังหวัดคนครพนมเที่ยวไปตามแถบอำเภอสีสงครามมีหมู่บ้านสามผลโนนแดงดงน้อยคํานกกกเป็นต้นซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เต็มไปไ ด, ด้วยดงหนาป่าทึบและชุกชุมไปด้วยไข่ป่าได้แก่ไข่มาลาเรีย ซึ่งรายใดเจอเข้าแล้วก็ยากจะหายได้ง่ายๆอย่างน้อยเป็นแรมปีก็ยังไม่หายขาดหากไม่ตายก็พอทรมานดังที่เคยเขียนผ่านมาบ้างแล้วว่าไข้ที่พ่อตาแม่ยายเบื่อหน่ายและเกรชังเพราะผู้เป็นไข้ประเภทนี้นานๆไปแม้ยังไม่หายขาดแต่ก็พอไปมาได้และรับประทานได้แต่ทำงานไม่ได้บางรายก็ทาให้เป็นคนวิกลวิการไปเลยก็มี ชาวบ้านแถบนั้นเจอกันบ่อยและมีดาดเดินส่วนพระเนนจำต้องอยู่ในข่ายอันเดียวกันมากกว่านั้นก็ถึงตายท่านจำภาแถบหมู่บ้านสามผงสามปีมีพระตายเพราะไข้ป่าไปหลายรูปที่เป็นพระชาวทุ่งไม่เคยชินขับป่ากับเขาเช่นพระชาวอุบลคล้อยเอ็ดสารคามไปอยู่กับท่านในป่าแถบนั้นไม่ค่อยได้เพราะทนต่อไข้ป่าไม่ไหว ต้องหลีกออกปรชามษาตามหมู่บ้านแถวทุ่งทุ่งท่านเล่าว่าขณะท่านกำลังแสดงธรรมอบรมพระเนนตอนกลางคืนที่หมู่บ้านสามผงมีพญานาคที่อยู่แถบลำแม่น้ำสงครามได้แอบมาฟังเทศท่านแทบทุกคืนเฉพาะวันพระมาทุกคืนทาไมมาตอนท่านอบรมพระเนนก็ต้องมาตอนดึกขณะท่านเข้าที่ภาวนาส่วนพวกเทวดาทั้งเบื้องบนเบื้องล่างมีมาห่างๆไม่เหมือนอยู่ที่อุดรห น, นองคาย เฉพาะวันเข้าพรรษาวันกลางพรรษาและวันปรวารณาออกพรรษาแล้วไม่ว่าท่านจะพักจำอยู่ที่ไหนแม้แต่ในตัวเมืองก็ยังมีพวกเทวดาทั้งเมืองบนเบื้องล่างชั้นใดชั้นหนึ่งและที่ใดที่หนึ่งมาฟังธรรมท่านไม่ได้ขาดเช่นที่วัดเจดีหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นขณะที่ท่านพักอยู่บ้านสามผง ม, มีเรื่องที่แปลกอยู่เรื่องหนึ่งเวลานั้นเป็นหน้าแง้งพระเนนอบรมกับท่านมาก ราวหกสิบถึงเจ็ดสิบรูปน้ำท่ามีไม่พอใช้และขุน่นข้นไปหมดพระละเนนพากันปรึกษากันกับชาวบ้านว่าควรจะขุดบ่อให้ลึกลงไปอีกเผื่อจะได้น้ำที่สะอาดและพอกินพอใช้ไม่ขาดแคลนดังที่เป็นอยู่บ้างเมื่อตกลงกันแล้วพระผู้ใหญ่ก็เข้าไปกราบเรียนท่านเพื่อขออนุญาตพอกราบเรียนความประสงค์ให้ท่านทราบท่านยิงอยู่พักหนึ่งแล้วแสดงอาการเคร่งครวม และห้ามออกมาอย่างเสียงแข็งว่าอ ย, ายา่าอย่าดีไม่ดีเป็นอันตรายพูดเท่านั้นก็หยุดไม่พูดอะไรต่อไปอีกพระอาจารย์รูปนั้นก็งงงันในคำพูดท่านที่ว่าดีไม่ดีเป็นอันตรายพอกราบท่านออกมาแล้วก็นาเรื่องมาเล่าให้พระเนรและญาติโยมฟังตามที่ตนได้ยินมาแทนที่จะมีผู้คิดและเห็นตามที่ท่านพูดห้ามแต่ปรับปรึกษากันเป็นความลับว่า พวกเราไม่ต้องให้ทันทราบพากันขโมยทำก็ยังได้เพราะน้ําบ่อก็อยู่ห่างไกลจากวัดพอจะขโมยทำได้พอเที่ยงวันกะว่าท่านพักจำวัดก็พากันเตรียมออกไปขุดบอ่อพอขุดกันยังไม่ถึงไหนดินรอบๆปากบ่อก็พังลงใหญ่จนเต็มขึ้นมาเสมอพื้นที่ที่เป็นอยู่ดั้งเดิมปากบ่อเบอิกกว้างและเสียหายไปเกือบหมด พระเนนญาติโยมพากันกลัวจนใจหายใจว่าไปตามๆกันและตั้งตัวไม่ติดเพราะดินพังลงเกือบทับคนตายหนึ่งเพราะพากันร่วงเกินคำที่ท่านห้ามโดยไม่มีใครระลึกรู้พอยับยั้งกันไว้บ้างหนึ่งและกลัวท่านจะทราบว่าพวกตนพากันขโมยทมโดยการฝ่าฝืนท่านหนึ่งพระเนนทั้งวัดและญาติโยมทั้งบ้านพากันร้อนเป็นไฟไปตามๆกัน และรีบพากันหาไม้มากัน้นดินปากบ่อที่พังลงด้วยความหินโทษขออารัธนาวิงวอนถึงพระคุณท่านให้ช่วยคุ้มครองพอเอาดินที่พังลงในบ่อขึ้นได้และได้อาศัยน้านต่อไปเดชะบุญพออธิษฐานถึงพระคุณท่านแล้วทุกอย่างเลยเรียบร้อยไปอย่างน่าอัศจรรย์คาดไม่ถึงจึงพอมีหน้ายิ้มต่อกันได้บ้างพอเสร็จงาน พระเนรและญาติโยมต่างก็รีบหนีเอาตัวรอดกลัวท่านจะมาที่นั่นส่วนพระเนรทั้งวัดต่างก็มีความร้อนใจสมอยู่ตลอดเวลาเพราะความผิดที่พากันก่อไว้แต่กลางวันยิ่งจนถึงเวลาประชุมอบรมซึ่งเคยมีเป็นประจำทุกคืนก็ยิ่งเพิ่มความไม่สบายใจมากขึ้นใครๆก็เคยรู้เคยเห็นและเคยถูกดุเรื่องทรรนองนี้มาแล้วจนฝังใจบางเรื่องแม้ตนเคยคิดและทำจนลืมไปแล้ว ท่านยังสามารถรู้และนำเทศสอนจนได้เพียงเรื่องนามบ่อซึ่งเป็นเรื่องหยบๆที่พากันขโมยท่านรำนะทั้งวัดจะเอาอะไรไปปิดไม่ให้ท่านทราบท่านต้องทราบและเทศอย่างหนักแน่นอนในคืนวันนี้หรืออย่างช้าก็ตอนเช้า ว, วันรุ่งขึ้นอารมณ์เหล่านี้แลที่ทําให้พระเนนไม่สบายใจกันทั้งวัดพอถึงเวลาประชุมและแทนที่จะถูกโดนอย่างหนักดังที่ขาดกันไว้ ท่านกลับไม่ประชุมและไม่ดูดาอะไรแก่ใครๆเลยสมเป็นอาจารย์ที่ฉลาดสั่งสอนคนจํานวนมากทั้งที่ทราบเรื่องนั้นได้ดีและยังทราบความไม่ดีของพระทัง้งวัดที่ล่วงเกินฝ่าฝืนท่านแล้วกําลังได้รับความเร่าร้อนกันอยู่หากจะว่าอะไรลงไปเวลานั้นก็เท่ากับการซ้ําเติมผู้ทําผิดที่รู้เท่าไม่ถึงการขณะนั้นผู้ทําผิดต่างกําลังเห็นโทษของตนอย่างเต็มที่อยู่แล้ว พอรุ่งเช้า ว, วันใหม่เวลาท่านออกจากที่ภาวนาปกติท่านลงเดินจงกรมจนได้เวลาบินธบาตแล้วค่อยขึ้นบนศาลากลองผ้าออกบินธบาตอย่างนั้นเป็นประจำไ ม, ม่ได้ขาดเช้า ว, วันนั้นพอท่านจะออกจากทางจงกรมขึ้นศาลาพระทั้งวัดต่างร้อนอยู่ภายในและคอยฟังปัญหาว่าท่านจะออกแงไหนบ้างวันนี้แต่แทนที่จะเป็นไปตามความคิดของพระทั้งวัด ซึ่งกำลังกระวนกระวายอยากฟังแต่เรื่องกลับเป็นไปคนละโลกคือท่านกลับพูดนิ่มนวลอ่อนหวานแสดงเป็นเชิงปลอบใจพระเนนที่กำลังเร่าร้อนให้กลับสบายใจว่าเรามาศึกษาหาอาจธรรมไม่ควรกล้าจนเกินตัวและกลัวจนเกินไปเพราะความผิดพลาดอาจมีได้ด้วยกันทุกคนความเห็นโทษความผิดนั่นแหละเป็นความดีมี พระพุทธเจ้าท่านก็เคยผิดมาก่อนพวกเราตรงไหนที่เห็นว่าผิดท่านก็เห็นโทษในจุดนั้นและพยายามแก้ไขไปทุกระยะที่เห็นว่าผิดเจตนานั้นดีอยู่แต่ความรู้เท่าไม่ถึงการนั้นอาจมีได้ควรสำรวมระวังต่อไปในทุกกรณีเพราะความมีสติระวังตัวทุกโอกาสเป็นทางของนักปราชญ์เพียงเท่า น, นี้ก็หยุดและแสดงอาการยิ้มแย้มต่อพระเนนต่อไปไม่มีใครจับพิรุธท่านได้เล ย, เลย แล้วก็พาออกบินทบัติตามปกติคืนวันหลังก็ไม่ประชุมอีกเป็นแต่สั่งให้พาการประกอบความเพียรรวมเป็นเวลาสามคืนที่ไม่มีการประชุมอบรมธรรม <c oughs> พอดีกับระยะนั้นพระเนนกําลังกลัวท่านจะแทรกเรื่องบอ่อน้ําอยู่แล้วก็พอเหมาะกับที่ท่านไม่สั่งให้ประชุมจนคืนที่สี่ถึงมีการประชุมเวลาประชุมก็ไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องบอ่อน้ําทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ให้เรื่องหายเงียบไปเลย ตั้งนานจนปรากฏว่าพระทั้งวัดลืมกันไปหมดแล้วเรื่องถึงได้โผล่ขึ้นมาอย่างไม่นึกไม่ฝันและก็ไม่มีใครกล้าเล่าถวายให้ท่านทราบเลยเพราะต่างคนต่างปิดเงียบท่านเองก็ไม่ได้เคยไปที่บ่อซึ่งอยู่ห่างจากวัดนั้นเลยเริ่มแรกก็แสดงธรรมอบรมทางภาคปฏิบัติไปเรื่อยๆอย่างธรรมดาพอแสดงไปถึงเหตุผลและความเคารพในธรรมในครูอาจารย์ ทาก็เริ่มกระจายไปถึงผู้มารับการศึกษาอบรมว่าควรเป็นผู้นักในเหตุผลซึ่งเป็นเรื่องของธรรมแทงไม่ควรปล่อยให้ความอยากที่คอยผลักดันอยู่ตลอดเวลาออกมาเพ่นพ่านในวงปฏิบัติจะมาทำลายทาอันเป็นแนวทางที่ถูกและเป็นแบบฉบับแห่งการดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์จะทําให้ทุกสิ่งที่มุ่งปรารถนาเสียไปโดยลาดับทำวินัยหนึ่งคพูดของครูอาจารย์หนึ่ง ที่เราถือเป็นที่เคารพไม่ควรฝ่าฝืนการฝ่าฝืนพระธรรมวินัยและการฝ่าฝืนคำครูอาจารย์เป็นการทำลายตัวเองและเป็นการส่งเสริมนิสัยไม่ดีให้มีกำลังเพื่อทำลายตนและผู้อื่นต่อไปไม่มีทางสิ้นสุดนามบ่อ น, นี้ไม่ใช่มีแต่ดินเหนียวล้วนๆแต่มีดินทรายอยู่ข้างล่างด้วยหากขุดลึกลงไปมากดินทรายจะพังลงไปก้นบ่อและจะทำให้ดินเหนียวขาดตกลงไปด้วย ดีไม่ดีถ้าผัวคนตายก็ได้จึงได้ห้ามมิให้พากันทำการห้ามมิให้ทำหรือการสั่งให้ทำในกิจใดๆก็ตามได้พิจารณาก่อนแล้วทุกอย่างถึงได้สั่งลงไปผู้มารับการอบรมก็ควรพิจารณาตามบ้านบางอย่างก็เป็นเรื่องภายในโดยเฉพาะไม่จาต้องแสดงออกต่อผู้อื่นเสียจนทุกแง่ทุกมุมเท่าที่แสดงออกเพื่อผู้อื่นก็พอเข้าใจความมุ่งหมายดีพอแต่ทาไมจึงไม่เข้าใจ ที่จะทำสิ่งนั้นแต่กลับทำในสิ่งนั้นให้ทำสิ่งนั้นแต่กลับไม่ทำในสิ่งนั้นดังนี้เรื่องทางนี้ไม่ใช่ไม่เข้าใจต้ เ, เข้าใจกันแน่นอนแต่ที่ทำไปอีกอย่างหนึ่งนั้นเป็นความดื้อดึงตามนิสัยที่เคยดื้อดึงต่อพ่อแม่มาแต่เป็นเด็กเพราะท่านเอาใจนิสัยนั้นเลยติดตัวและฝังใจมาจนถึงขั้นพระขั้นเนนซึ่งเป็นขั้นผู้ใหญ่เต็มที่แล้วแล้วก็มาดื้อดึงต่อครูอาจารย์ ต่อพระธรรมวินยัยอันเป็นทางเสียหายก็อีกความดื้อดึงในวัยและเพศนี้ไม่ใช่ความดื้อดึงที่ควรได้รับอภัยและเอาใจเหมือนคราวเป็นเด็กแต่ควรตำหนิอย่างยิ่งถ้าขืนดื้อดึงต่อไปอีกก็จะเป็นการส่งเสริมนิสัยไม่ดีนั้นให้ยิ่งขึ้นและควรได้รับสมัญญาว่าพระธุดงค์หัวดือ้อบริการใช้สอยทุกชิ้นที่เกี่ยวกับตัวก็ควรเรียกว่าบริการของพระหัวดื้อไปด้วยองค์นี้ก็ดื้อองนั้นก็ดาน องค์โนนก้มึือและดื้อด้านกันทั้งวัดอาจารย์ก็ได้ลูกสิ์หัวดื้ออะไรก็กลายเป็นเรื่องดื้อด้านไปเสียหมดโลกนี้เห็นจะแตกาศาสนาก็จะร่มจมแน่นอนแล้วก็แสดงเป็นเชิงถามว่าใครบ้างที่ต้องการเป็นพระหัวดื้อและต้องการให้อาจารย์เป็นอาจารย์ของพระหัวดื้อมีไหมในที่นี้ถ้ามีพวกนี้ให้พากันไปรื้อไปขุดหน้าบ่ออีกไห้ดินพังลงทับตายจะได้ไปเกิดบนสวรรค์วิมานหัวดื้อ เผื่อชาวเทพทั้งหลายชั้นต่างๆจะได้มาชมบา ร, รมีบ้างว่าเก่งจริงไม่มีชาวเทพพวกไหนแม้ชั้นพรหมโลกที่เคยเห็นและเคยได้อยู่วิมานประหลาดเช่นนี้มาก่อนจากนั้นก็แสดงอ่อนลงทั้งเสียงและเนื้อธรรมทำให้ผู้ฟังเห็นโทษแห่งความดื้อดึงฝ่าฝืนของตนอย่างถึงใจผู้นางฟังอยู่ในขณะนั้นคล้ายกับลืมหายใจไปตามๆกันพอจบการแสดงธรรมและเลิกประชุมแล้ว ตางก็ออกมาถามและยกโทษกันวุ่นวายไปว่ามีใครไปกราบเรียนท่านถึงได้เทศขนาดหนักทำเอาผู้ฟังแทบสลบไปาตามๆกันในขณะนั้นทุกองค์ต่างก็ออกปฏิเสธเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีใครกล้าไปกราบเรียนเพราะต่างก็กลัวว่าท่านจะทราบและถูกโดนเทศหนักอยู่แล้วเรื่องก็เป็นอันผ่านไปโดยไม่ได้ต้นสายปลายเหตุตามปกติท่านพระอาจารย์มั่น ท่านมีความรู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆมาแต่สมัยท่านจำพรรษาอยู่ถ้ำสาริกาจังหวัดนคร น, นายกตลอดมาและมีความชันนาญกว้างขวางขึ้นเป็นลําดับจนแทบจะพูดได้ว่าไม่มีประมาณเวลาปกติก็ดีขณะเข้าประชุมฟังการอบรมก็ดีพระที่อยู่กับท่านซึ่งรู้เรื่องของท่านได้ดีต้องมีความระวังสำรวมจิตอย่างเงงข้มงวดกดขันอยู่ตลอดไปจะเผลอตัวคิดไปต่างๆนาน า, นานไม่ได้ เวลาเข้าประชุมความคิดนั้นต้องกลับมาเป็นการเทศให้เจ้าของฟังอีกจนได้ยิ่งขณะที่ท่านกำลังให้การอบรมอยู่ได้แล้วยิ่งเป็นเวลาที่สำคัญมากกว่าเวลาอื่นใดทั้ทงๆ ท, ที่แสดงคำอยู่แต่ขณะที่หยุดหายใจหรือหยุดเพื่อสังเกตการอะไรก็สุดจะเดาเพียงขณะเดียวเท่านั้นถ้ามีรายใดคิดเปะปะออกนอกปลู่นอกทางไปบ้านขณะนั้นแลเป็นต้องในเรื่องและได้ยินเสียงเทศปแปล ก, ปปลกออกมาทันที ซึ่งตรงกับความคิดที่ไม่มีสติรายนั้ น, น, นเป็นแต่ท่านไม่ระบุรายชื่อออกมาอย่างเปิดเผยเท่านั้นแม้เช่นนั้นก็ทำให้ผู้คิดสะดุดใจในความคิดของตนทันทีและกลัวท่านมากไม่กล้าคิดแบบนั้นต่อไปอีกเกับเวลาออกบินทบาทตามหลังท่านนั้นหนึ่งจะต้องระวังไม่เช่นนั้นจะได้ยินเสียงเทศเรื่องความคิดไม่ดีของตนในเวลาเข้าประชุมแน่นอนบางทีก็น่าอับอายหมู่เพื่อน ที่นั่งฟังอยู่ด้วยกันหลายท่านซึ่งได้ยินแต่เสียงท่านเทศระบุเรื่องความคิดแต่ไม่ได้ระบุตัวผู้คิดผู้ถูกเทศแทบมุดดินให้จมหายหน้าไปเลยก็มีเพราะบางครั้งเวลาเวลาได้ยินท่านเทศแบบนั้นทำให้ผู้นั่งฟังอยู่ด้วยกันหลายท่านต่างหันหน้ามององค์นั้นชำเลืองดูองค์นี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นองค์ไหนแน่ที่ถูกเทศเรื่องนั้นอยู่ขณะนั้นบรรดาพระในจจานวนมากรู้สึกจะมีนิสัยคล้ายคลยคึงกัน พอโดนเจ็บๆออกมาแล้วแทนที่จะเสียใจหรือโกรธพอพ้นเขต ด, ดัชนนานออกมาต่างแสดงความยิ้มแย้มขบขันพอใจและแต่ถามซึ่งกันและกันว่าวันนี้โดนใครวันนี้โดนใครแต่หน้าชมเชย อ, อยู่อย่างหนึ่งที่พระท่านมีความสัดซื่อต่อความคิดผิดของตัวและต่อเพื่อนฝูงไม่ปกปิดไว้เฉพาะตัวพอมีผู้ถามจะเป็นองค์ไหนก็ตามที่คิดผิดทานองท่านเทศนั้นองค์นั้นต้องสารภาพตนทันทีว่า วันนี้โดนผมเองเพราะผมมันดื้อไม่เข้าเรื่องไปหานคิดเรื่องนั้นๆท้งที่ตามปกติก็รู้อยู่ว่าจะโดนเทศเธอขืนคิดอย่างนั้นแต่พอไปเจอเข้ามันลืมเรื่องที่เคยกลัวซะสิน้นมีแต่เรื่องกล้าแบบบาบาๆออกมาท่าเดียวที่ท่านเทศนั้นสมควรอย่างยิ่งแล้วจะได้ดัดสนานเราที่คิดไม่ดีเสียทีต้องขออาภัยจากท่านผู้อ่านมากๆที่บางเรื่องผู้เขียนก็ไม่สะดวกใจที่จะเขียน แต่เรื่องที่ว่าไม่สะดวกก็มีผู้ก่อไว้แล้วพอให้เกิดปัญหาคลื่นไม่ได้คลายไม่ออกหวังอยู่ในคอดีๆนี่เองถ้าได้ระบายออกตามความจริงก็น่าจะเป็นธรรมเหมือนพระท่านแสดงอาบัติก็เป็นวิธีที่ทำให้หมดโทษหมดกนนังวลไม่กําเริ่ต่อไปจึงขอเรียนเป็นบางตอนพอเป็นข้อคิดจากทั้งท่านผู้เป็นเจ้าของเรื่องทั้งท่านผู้ชาระเรื่องทั้งพวกเราผู้มีผัวใจที่อาจมีความคิดอย่างนั้นบ้าง โดยมากนักบวชและนักปฏิบัติที่โดนเทศเจ็บเจ็บอยู่บ่อยก็เนื่องจากายตนาภายนอกคือรูปเสียงเป็นต้นที่เป็นวิสภาคต่อกันนั่นเองมากกว่าเรื่องอื่นๆต้นเหตุที่ถูกเทศโดยมากก็เวลาบินทบากซึ่งเป็นกิจจาเป็นของพระจะละเว้นมิได้เวลาไปก็ต้องเจอเวลาเจอก็จำต้องคิดไปต่างๆบางรายพอเจอเข้าเกิดความรักชอบความคิด กลายเป็นกงจากไปโดยไม่รู้สึกตัวนี่แหละคือต้นเหตุสาคัญที่ฉุดลากใจให้คิดออกไปนอกลู่นอกทางทั้งที่ไม่อยากจะให้เป็นเช่นนั้นพอได้สติรั้งกลับมาได้ตกตอนเย็นมาก็โดนเทศแล้วพยายามทาความสารวมต่อไปพอวาระต่อไปก็ออกไปเจอเอาของดีเขาอีกทำให้แผลกำเริบคนอีกขากลับมาวัดก็โดนยาเม็ดขนาดเด็ดๆใส่แผลเขาอีกคือโดนเทศนั่นเอง อง์นี้ไม่โดนของดีแต่องค์นั้นก็โดนเข้าจนได้เพราะพระเนรมีมาก่อมากและต่างองค์ก็มีแผลเครื่องรับของสแสลงด้วยกันฉะนั้นจึงไปโดนแต่ของดีมาจนไม่ชนะฉละปรีแก้ไขพอมาถึงวัดและศพจังหวะก็โดนเทศจากท่านเขาอีกธรรมดาความคิดของคนมีกิเลกก็ต้องมีคิดไปต่างๆดีบ้างชั่วบ้างท่านเองก็ไม่ใช่นักดูดาไปเสียทุกขณะคิดที่คิด ที่ท่านตำหนิก็คือสิ่งที่ท่านอยากให้คิดเช่นคิดอดคติทำด้วยสติปัญญาเพื่อหาทางปลดเปลื้องตนออกจากทุกข์อันเป็นความคิดที่ถูกทางและเบาใจแก่ผู้อบรมสั่งสอนนั้นไม่ค่อยชอบคิดกันแต่ชอบไปคิดในสิ่งที่ไม่อยากให้คิดจึงโดนเทศกันอยู่เสมอแทบทุกคืนเพราะผู้ทาให้ท่านต้องเทศบ่อ ย, อยมีมากท้งนี้กล่าวถึงความรู้ความละเอียดแห่งปรกิจตะวิชา คือการกําหนดรู้ใจผู้อื่นของท่านพระอาจารย์มั่นว่าท่านรู้และสามารถจริงๆส่วนความคิดที่น่าตำหนินั้นก็ไม่ได้เป็นขึ้นด้วยเจตนาจะสั่งสมของผู้คิดหากแต่เป็นขึ้นเพราะความเผลอเรอที่สติตามไม่ทันเป็นบางครั้งเท่านั้นแม้เช่นนั้นใ น, ในฐานะที่ท่านเป็นอาจารย์ผู้ขอให้ความรู้ความฉลาดแก่ลูกศิษย์เมื่อเห็นว่าไม่เหมาะสมก็รีบเตือนเพื่อผู้นั้นจะได้สติและเขตหลาบแล้วระวังสํารวมต่อไป ไม่หลวงตัวคิดอย่างนั้นอีกจะเป็นทางเบิกกว้างเพื่อความเสียหายต่อไปเพราะความคิดซ้ำซากเป็นเครื่องส่งเสริมการสั่งสอนพระรู้สึกว่าท่านสั่งสอนละเอียดถีถ้วนมากศีลที่เป็นฝ่ายวิในท่านก็สอนละเอียดสมาธิและปัญญาที่เป็นฝ่ายธรรมท่านยิ่งสอนละเอียดละออมมากแต่ปัญญาทั้งขั้นสูงสุดจะเขียนลงข้างหน้าตามประวัติท่านที่บำเพ็ญธรรมขั้นสูงขึ้นไปเป็นลำดับ ส่วนสมาธิทุกขั้นและปัญญาขั้นกลางท่านเริ่มมีความชนนารมาแล้วจากถ้าสาริากานครนายกพอมาฝึกซ้อมอยู่ทางภาคอีสานนานพอควรก็ยิ่งมีความชินนิชินนาญยิ่งขึ้นฉะนั้นการอธิบายสมาธิทุกขั้นและวิปัสสนาขั้นกลางแก่พระเนนท่านจึงอธิบายได้อย่างคล่องแคล่วมากไม่มีการเคลื่อนคลาาจากหลักสมาธิปัญญาที่ถูกต้องเลย ผู้รับการอบรมได้ฟังอย่างถึงใจทุกขั้นของสมาธิและปัญญาขั้นกลางสมาธิท่านรู้สึกแปลกและพิสดารมากทั้งคณิกาสมาธิอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิคือขณะจิตรวมเป็นคณิกะสมาธิแล้วตั้งอยู่ได้ขณะเดียวแต่มิได้ถอนออกมาเป็นจิตธรรมดาหากแต่ถอนออกมาสู่อุปจารสมาธิแล้วออกลูสิ่งต่างๆไม่มีประมาณ บางครั้งเกี่ยวกับพวกพูดผีเทวบุตรเทวธิดาพญานาคต่างๆนับพบนับภูมิได้ที่มาเกี่ยวข้องกับสมาธิประเภทนี้ซึ่งท่านใช้รับแขกจำพวกมีรูปไม่ปรากฏด้วยตามีเสียงไม่ปรากฏด้วยหูมาเป็นประจำบางครั้งจิตก็เหาะลอยออกจากกาย